อริยมารภาคปฏิบัติคู่มือปฏิบัติธรรมแนวสัมมาทิฏฐิโดยพระอาจารย์คันชิตสุทธิจิตโตวัดป่าภูไม้่ฮาวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารคำนำอริยมารภาคปฏิบัติเป็นพระธรรมเทศนาที่แสดงให้เห็นว่าเส้นทางปฏิบัติธรรมที่หลากหลายรูปแบบนั้นถ้ามีเป้าหมายที่ถูกต้องแล้ว ก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเองนั่นคือปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติเป็นเบื้องต้นแล้วสติจะคุ้มครองจิตรักษาจิตทำให้เกิดสมาธิจากนั้นก็จะเกิดสติสัมปชัญญะและถ้าอุสาหะอยู่ในอุบายวิธีที่ถูกกับจริตของตนจนสติสัมปชัญญะมีกำลังแล้วจิตจะตั้งมั่นปัญญาาณก็จะเจริญขึ้น จนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานมุ่งสู่ความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทุกคนจะต้องเพียรไปให้ถึงพระธรร ม, มเทศนาการ น, นี้พระอาจารย์ท่านได้ประมวลเนื้อหาของธรรมในโพธิปัขจยธรรมทั้ง37ประการให้เห็นว่าสติเป็นหลักธรรมสำคัญที่มีอยู่ในทุกวดธรรมเป็นที่รวมของธรรมทั้งหมด ส่วนในภาคปฏิบัตินั้นเมื่อเจริญสติอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้วองค์ธรรมที่นำไปสู่การตรัสรู้ทั้งหลายก็จะเจริญขึ้นไปด้วยกันจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติธรรมสำหรับศึกษาให้เกิดความเข้าใจในโครงสร้างธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยรวมศิ ก, กรเพื่อให้การปฏิบัติธรรมของเราเป็นสัมมาทิฏฐิ ไม่วิปลาสคลาดเคลื่อนไปจากทางแห่งอริยมรรคมีโอกาสรู้ธรรมเห็นธรรมแจ้งชัดในธรรมเข้าถึงซึ่งความไม่มีทุกข์ได้ในที่สุดอริยมรรคภาคปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นมุ่งสอนลงที่ใจของทุกๆคนเป้าหมายของพระองค์ก็คือ อยากให้ทุกคนมีความสุขสบายไม่มีความทุกข์ภายในจิตใจพวกเรานั้นต่างมีความศรัทธาเลิ่มใส่ในคําสอนของพระพุทธเจ้ากันอยู่แล้วเราเชื่อมั่นว่าพระองค์นั้นตรัสรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ดับทุก์ในพระทัยของพระองค์ได้จริงคาว่าดับทุกนั้นหมายความว่าทุกไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป คือในจิตดวงใดก็ตามที่สามารถดับทุกข์ได้แล้วทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยแล้วก็จะแน่ใจว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถทำให้จิตใจของผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติตามต้องไม่มีทุกข์ได้จริงไม่ใช่เฉพาะพระภิกษุแม้ชีหรือคนที่มาอยู่ที่วัดเท่านั้นแต่คนที่อยู่กับบ้านกับเรือนเมื่อนาเอาคาสอนของพระองค์ ห้ปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วถ้าจะเปรียบเป็นเรื่องของการเดินทางก็เท่ากับว่ากำลังเดินทางไปสู่ความไม่มีทุกข์ได้เหมือนกันการเดินทางของจิตเป็นอย่างไรคนส่วนใหญ่ที่มีความทุกข์นั้นมักจะไปสนใจเรื่องข้างนอกเรื่องของคนอื่นสนใจเรื่องของคนนั้นว่ายอย่างนั้นคนนี้ว่ายอย่างนี้ เขาคิดไม่ดีกับเราอันนั้นไม่ดีอยากให้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ดีอยากให้เป็นอย่างนั้นซึ่งมีแต่เรื่องข้างนอกทั้งหมดเลยและนี่คือทางเดินของจิตที่มันออกไปข้างนอกโดยไม่ได้เข้ามาดูว่ามันมีตัวที่สั่งการอยู่ภายในนั่นก็คือจิตเราเอง จิตของเรานี่แหละคือตัวการใหญ่ที่ให้คิดปรุงแต่งไปแบบนั้นแบบนี้แม้จะเข้าใจว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสุดท้ายที่คิดว่าเป็นตัวเราก็ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปกายกับใจนี้เป็นอนัตตาล้วนเป็นธรรมชาติทั้งหมดแค่เปลี่ยนสภาพไปเท่านั้นเอง วนไปเวียนมาตามอำนาจของกรรมเฉยๆไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราได้เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้ไม่รู้กี่ภพชาติกี่กับกันกี่อสงไขยแล้วแต่เราก็ยังหลงในสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมาว่าเป็นเราอยู่นั่นเอง นี่คือความหลงที่ยังอยู่ภายในจิตของเราพระพุทธเจ้าส่งสอนให้มาดูจิตตนเองในครั้งพุทธการนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าจะสอนสาวกของพระองค์ให้มาดูจิตของตัวเองก็จะตรัสเรียกภิกษุให้หันความสนใจเข้ามาฟังธรรมว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเราไม่ฉลาดในวาราจิตของผู้อื่นไซ้ ให้มาฉลาดในวาราจิตของตนหมายถึงว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะไปรู้วาราจิตของคนอื่นได้ตลอดเวลาหรอกมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปรู้เรื่องจิตของคนนั้นคนนี้ดังนั้นจึงให้มาฉลาดในเรื่องจิตของตนคำว่าพิสุจ์ทั้งหลายหมายถึงใครก็ตามที่ได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้า เขาคือผู้ที่เห็นภายในวัตสงสารเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษของการที่จิตปรุงแต่งเห็นว่าสิ่งที่จะพาไปเกิดก็คือตัวที่ปรุงแต่งขึ้นในจิตนี่แหละคำว่าวัตสงสารจึงไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเราเลยนะการที่จะฉลาดรู้จิตของเราได้นั้นต้องมีสติสัมปชัญญะ จึงต้องมีการปฏิบัติที่จิตของตัวเองไม่เช่นนั้นจิตก็จะมีแต่ความอยากอยู่ร่ำไปอยากจะรู้จิตสอนจิตควบคุมจิตของตัวเองอยากให้จิตมันคิดดีๆอยากมีความสุขสบายซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติแต่ว่าอยากให้จิตมันรู้ความจริงอยากให้จิตของตัวเองมีสติมีปัญญาไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในจิตใจนั้น มันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนวิธีปฏิบัติไว้แล้วแต่ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสมบูรณ์ไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังมามากขนาดไหนก็ตามจึงต้องศึกษาคําสอนของพระองค์ให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติจนผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นกับจิตคือสามารถมาดับทุกข์ ในใจเราได้จึงจะเรียกว่าได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สังเกตด้วยว่าทุกต้องหมดไปเพราะถ้าปฏิบัติแล้วกลายเป็นคนพูดมากเถียงคนอื่นได้มากมีมานะเกิดขึ้นว่าฉันเก่งฉันดีฉันเหนือกว่าคนนั้นคนนี้อันนี้ไม่ใช่ดับทุกข์แต่กำลังจะสร้างทุกข์ เราได้มีตัวตนเกิดขึ้นแล้วหรือบางทีก็อาศัยความเคร่งรัดในรูปแบบภายนอกแสดงให้คนอื่นเห็นว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เรียบร้อยสำรวมระวังแล้วเอามาข่มคนอื่นก็ไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเพราะทางของพระพุทธเจ้าคือจิตที่ไม่มีทุกข์สาระมันอยู่ตรงที่ความทุกข์ต้องน้อยลงไป จนไม่มีทุกข์หลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นใครจะอยู่ในท่าทางแบบใดทำอะไรอยู่ก็ตามให้มาสนใจที่จิตว่าภายในจิตเป็นอย่างไรส่วนกิริยาอาการภายนอกนั้นเราต้องมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้มีสติสัมปชัญญะเข้าถึงจิตเห็นจิตควบคุมจิตได้สอนจิตได้ จิตเข้าใจและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงจนจิตสามารถปล่อยวางได้สุดท้ายพอปล่อยวางไม่ใช่หยึดเอาไว้ตอนแรกปฏิบัติก็หวังอย่างโน้อนอย่างนี้แต่พอปฏิบัติไปจริงๆแล้วจะปล่อยวางหมดเลยไม่เอาอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยพระพุทธเจ้าจึงสอนว่า ให้มาฉลาดในวาราจิตของตนเพราะจิตของเรานี่แหละที่มันมีความลุ่มหลงมันหลงผิดอยู่ก็เลยไปยึดเอาเรื่องราวข้างนอกเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เข้ามาไว้ในจิตของตนแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างหรือคิดเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างคราวนี้เวลาที่เกิดความทุกข์ ก็คือความคิดที่เราปรุงแต่งนี่แหละมาครอบงำจิตอีกทีหนึง่งทุกข์ก็มากขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่รู้วิธีออกจากความทุกข์ให้ลองสังเกตดูจิตเรานะจากทีแรกก็ยังไม่มีความทุกข์อะไรจิตอยู่เฉยๆสบายๆแต่พอกระทบอารมณ์หรือไปนึกถึงบางสิ่งบางอย่าง ที่ไม่พอใจเข้าเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วเมื่อเป็นทุกข์ก็เกิดการปรุงแต่งวนไปเวียนมาขึ้นภายในจิตปรุงแต่งในเรื่องราวที่ทำให้เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละแต่ในความทุกข์บางทีก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันถ้าเกิดความทุกข์แล้วหันมาศึกษาปฏิบัติธรรม ให้เข้าใจในธรรมให้รู้ว่าสภาวะแห่งทุกข์เป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปและเมื่อความทุกข์ดับก็จะรู้ว่ามันเกิดความเบิกบานขึ้นมาในจิตใจทันทีเลยเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขสงบสงับขึ้นในจิตใจด้วยที่สําคัญในเวลาที่เรามีความสุขความสบาย สติสัมปัญัญะญจะรักษาจิตได้ง่ายจิตก็อยู่กับตัวเราได้นานขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสมาธิคือจากการมีสติสัมปัญัญะญก็ขยับขึ้นมาเป็นความตั้งมั่นและเมื่อจิตตั้งมั่นจนเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็จะรู้ความจริงเพราะเห็นอาการที่อยู่ในจิตเรานั่นแหละคือเมื่อจิตไปยึดอะไรก็รู้ จิตปรุงแต่งอะไรก็รู้เมื่อรู้เราก็ละในสิ่งที่ไปยึดมั่นถือมั่นนั้นเสียและสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาให้เห็นเป็นสักแต่ว่าสิ่งปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตก็ไม่มีอะไรเพราะอะไรเกิดแล้วก็ดับไปมันแค่ความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาเฉยๆถ้าเรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ ความคิดก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะมันเป็นแค่ของเกิดดับเท่านั้นความคิดนั้นมีสองลักษณะความคิดชนิดหนึ่งเป็นความคิดที่ตรงกับความเป็นจริงเช่นความคิดว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วก่อนจะตายเราต้องศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อนให้รู้ให้เข้าใจ เรื่องชีวิตและเรื่องจิตของตัวเองที่มันโง่มันหลงมานานแล้วนี่แหละถ้าเข้าใจเรื่องจิตจะได้ไม่มีทุกข์อย่างนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นปัญญาหรือคิดว่าเออเกิดมาแล้วต้องตายจริงๆนะเรานี้ก็อายุมากแล้วด้วย เป็นโน่นเป็น น, ôn, น, นี่อยู่เป็นประจำเลยปวดหัวปวดฟันปวดท้องเป็นโรคกระดูกเจ็บปวดส่วนนั้นส่วนนี้โอ้โหนี่มันก็เริ่มสุดโทมลงไปแล้วราภาพลงไปแล้วเริ่มพิกลพิการศึกผุกร่อนแล้วเราจะมาหลงยึดหลงติดหลงข้องอยู่อย่างนี้ไม่ได้ นี่ก็เป็นความคิดฝ่ายวิชาคิดแล้วทำให้จิตเราคลายออกความคิดอย่างนี้แหละที่มีประโยชน์เพราะเป็นความคิดที่ตรงกับความจริงแต่กับความคิดอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะมันคิดด้วยความหลงผิดเข้าครอบงำ เป็นฝ่ายอาวิชชาทำให้มัวแต่ไปหลงคิดเรื่องของคนอื่นว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นว่าเราคนนั้นทำไม่ดีกับเราเป็นเพราะคนนั้นที่ทำให้เราเป็นทุกข์นี่เป็นความคิดที่ส่งออกนอกทั้งหมดเลยมันพุ่งออกไปแต่ข้างนอกแล้วก็เป็นความคิดที่ไม่ตรงกับเหตุของมัน เพราะเหตุจริงๆก็คือจิตเรานี่แหละที่หลงผิดหลงว่าเป็นเราเป็นของเราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ไปยึดความคิดนึกที่ปรุงแต่งเหล่านั้นให้มาพอกจิตของตัวเองเอาไว้ทีนี้หันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์วนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้น นี้แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้มาฉลาดในเรื่องจิตของตนเองเสียอย่าไปฉลาดในเรื่องจิตของคนอื่นเลยอย่าไปสนใจเรื่องคนอื่นมากนักถ้าจะสนใจก็แค่ให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้ก็พอเพราะคนเรายังมีร่างกายมีจิตใจมีชีวิตอยู่ ก็ต้องรักษาชีวิตไว้ประกอบอาชีพทำมาหากินเพื่อดำเดินชีวิตไปแต่เราก็ต้องรู้ว่าในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่นี้ต้องมาศึกษาเรื่องจิตของตัวเองด้วยเพื่อจะทำให้ชีวิตนี้ไม่มีทุกข์หรือมีก็ให้มันมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าอย่างนี้ก็ถูกทางแล้วเพราะ ถ้าเรามัวแต่ทำมาหากินรักษาชีวิตไว้โดยมีเป้าหมายเพียงเพื่อให้ชีวิตมีความสุขสบายแล้วมันสบายจริงไหมถึงจะมีข้าวของเงินทองมีอาหารการกินเครื่องใช้ไม้สอยบริบูรณ์สมบูรณ์แต่ไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจ ย่อมต้องมีทุก์แน่นอนเพราะไม่สามารถที่จะควบคุมจิตอบรมจิตยับยั้งจิตในเวลาที่จิตไปหลงติดยึดมั่นถือมั่นอะไรๆก็ไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขจิตตัวเองได้เราจึงละเลยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องมาสนใจจิตของตัวเองให้มากๆ เพราะไม่ว่าเราจะมีความรู้อย่างอื่นมากมายกว้างขวางขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าขาดความเข้าใจเรื่องธรรมะอันเป็นความจริงเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของตัวเองแล้วถึงแม้ว่าเราจะต้องการความสุขแต่ก็ต้องมีความทุกข์แน่นอนในการปฏิบัตินั้นรายละเอียดของแต่ละสำนักเท่านั้นที่แตกต่างกัน แต่ก็มีหลักการอันเดียวกันคือพระพุทธเจ้าจะสอนให้มีสติเสียก่อนเพราะสติเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุดถ้าจเจริญสติจนมีกําลังขึ้นเรื่อยๆธรรมะอื่นๆจะเกิดขึ้นเองนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ารับรองเอาไว้รายละเอียดการปฏิบัติที่แตกต่างกัน คือบางคนอาจจะเริญนสติด้วยการบริกรรมเพราะบริกรรมแล้วรู้สึกว่าพอดีกับตนเองจิตสบายจิตอยู่กับตัวเองได้นานก็บริกรรมไปเช่นบริกรรมพุทโธหรือพุทโธธรรมโมสังโฆหรือนมพะทะหรือสัมมาอาระหังหรือพองหนอยุบหนอซึ่งจะบริกรรมอะไรก็ตาม เป้าหมายก็คือเพื่อให้จิตอยู่กับตัวเองหรือบางคนก็อาจจะดูลมหายใจลมเข้ารู้ลมออกรู้บางคนก็ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ดูเป็นอาการ32ไปแต่บางคนอาจจะชอบเจริญสติโดยการเคลื่อนไหวหรือดูอิริยาบถ ก็ทำไปจะแบบไหนก็ตามทั้งหมดมีเป้าหมายคือเพื่อให้มีสติแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีสัมปัญชยะคือเมื่อสติมีกำลังแล้วก็จะรู้เห็นอาการของกายและจิตมากขึ้นเขาเรียกว่ามีสัมปัญชยะนั่นคือในเบื้องแรกตัวสติเฉย จะคุมจิตให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวก่อนพอนานเข้าก็จะเริ่มรู้แล้วก็เริ่มเห็นด้วยว่าจิตเป็นอย่างไรกายเป็นอย่างไรจิตเราอยู่อย่างไรจิตคิดก็รู้ว่าคิดสติก็จะเริ่มมีกำลังความรู้สึกตัวก็มากขึ้นจึงเรียกว่ามีสติสัมปันญ ะ, ะเจริญสติแล้วรู้อะไร รู้กายรู้จิตของตัวเองไม่ได้ไปรู้อย่างอื่นนะให้มารู้อยู่ที่กายกับจิตก็คือให้จิตอยู่กับตัวเรานี่แหละในเมื่อเรายังต้องอาศัยกายอยู่จึงต้องเห็นกายด้วยเห็นจิตด้วยแต่ที่สำคัญคือตัวจิตทีนี้ตอนฝึกใหม่ๆเราจะไม่เห็นจิตเพราะจิตเป็นนามธรรมมันละเอียดเห็นได้ยาก จึงต้องมาดูที่กายที่หยาบกว่าเช่นเดินไปก็ต้องให้รู้ตัวว่าก้าวขาไปอย่างไรโดยอาจจะมีคำบริกรรมกำกับหรือว่าดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อให้สติควบคุมจิตเอาไว้ให้สติมารักษาจิตแล้วพัฒนาเป็นสติสัมปชัญญะจากสติก็ขยายออกมาเป็นสติปฐานสี อันเป็นการใช้สติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมซึ่งถ้าพูดเพียงย่อๆก็คือกายกับใจนั่นเองถ้าจะดูรายละเอียดของกายและจิตกายก็คือรูปหลายรูปที่มารวมกันโดยเฉพาะรูปที่เรียกว่ามหาพูตธรูปทั้งสี่คือธาตุดินน้ำลมไฟ มาประกอบกันเป็นกายนอกนั้นก็เป็นรูปย่อยๆซึ่งอาศัยธาตุทั้งสี่นี้แหละที่แยกย่อยออกไปเป็นผมขนเล็บฟันหนังก็ได้หรือแยกส่วนเป็นแขนขาคอศีรษะถ้าย่อยลงไปอีกก็เป็นเซลล์เล็กๆเป็นอนุเป็นปรมาณู ก็เป็นเรื่องของรูปย่อยๆที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นกายบางทีก็พูดว่าธาตุหคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและความว่างที่เรียกว่าอากาศาธาตุหรือธาตุหที่เพิ่มใจหรือวิญญาณธาตุเข้าไปคือร่างกายนี้แหละที่รวมเอาใจเข้าไปด้วยจิตต้องดูที่อาการของจิต เพราะจิตเป็นนามธรรมเมื่อเรายังมองไม่เห็นจิตเราก็ต้องมาดูที่อาการของจิตไปก่อนเช่นคิดดีใจเสียใจโกรธพยาบาทเก็ียดคร้านมีความเพียรง่วงซึมเศาหมองน้อยเนื้อต่ำใจหรือบางทีก็ดูว่าความสงสัยมีไหมใจมีสมาธิไหม ใจตั้งมั่นไหมใจอยู่อย่างไรอาการเหล่านี้เป็นอาการของจิตทั้งนั้นเลยนี่คือเรื่องของจิตถ้าจะมองเป็นขันหรูปขันเป็นกองแห่งรูปที่ธาตุมารวมกันเข้าเป็นกายขึ้นมาเวทนาขันกองแห่งเวทนาได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉ ย, เฉย ซึ่งเกิดจากผัสสะทางประสาททั้งห้าและทางใจเช่นเมื่อเรานั่งสมาธินานๆก็จะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นเรียกว่าทุกขเวทนาทางกายโดยจิตจะเป็นผู้เข้าไปรับรู้ว่ามีทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นแล้วถ้าจิตมีกำลังสติปัญญาก็จะเห็นว่าเป็นแค่ทุกขทางกายเท่านั้นไม่ทำให้จิตเป็นทุกขได้ แต่ถ้ากำลังสติปัญญาไม่พอทุกทางกายก็มีผลต่อจิตทำให้จิตเป็นทุกข์ขึ้นมาจิตก็จะกระสับกระสายอยากขยับอยากเลิกหงุดหงิดรำคาญหรือคิดปรุงไปในทํานองน้อยเนื้อต่ำใจว่าเรามีวาสนาบารมีน้อยหรืออยากให้ทุกข์ดับเป็นต้นซึ่งถ้าผู้ปฏิบัติมีความอดทน เพียรพยายามให้จิตดูต่อไปจนจิตมีกำลังสติสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นจิตก็จะปล่อยวางเวทนาทางกายได้เวทนาทางจิตก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจิตจะรู้สึกอย่างไรสติปัญญาก็ต้องตามเข้าไปดูไปรู้ไปเห็น จ, นจนจิตปล่อยได้วางได้จริงๆเพราะมันเป็นแค่ความรู้สึกทางจิตใจเท่านั้นจะสุข จะทุกข์จเฉยเยก็เป็นแค่ความรู้สึกทางจิตหรือเป็นแค่เวทนาขันเท่านั้นสัญญาขันความจำได้หมายรู้คือการที่เราไปรู้ไปเห็นไปได้ยินแล้วก็จดจำมานี่แหละเป็นการทำงานของสัญญาขันโดยสัญญาก็ทาหน้าที่ไปจำมาพอจำมาแล้วก็เอาเรื่องที่จำมานั่นแหละ มาพูดกันไปคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้คนนั้นสวยถูกใจคนนี้ไม่สวยคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นเก่งคนนี้ไม่เก่งเราคนเรามีความจําจํามาแล้วเอามาปรุงแต่งเป็นสังขารแล้วก็เอาสังขารมาห่อหุ้มจิตนี่คือความเกี่ยวเนื่องกัน ก็เลยวนไปเวียนมาเป็นเรื่องราวในชีวิตของเราสังขารขันกองแห่งสังขารซึ่งเราก็เห็นว่าสังขาร น, นั้นมันปรุงแต่งชัดๆแล้วมาเป็นเราได้อย่างไรความคิดที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั้นเป็นเราไปไม่ได้หรอกมันเป็นแค่สังขารเป็นแค่ความคิดที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเฉยๆ แล้วในวันหนึ่งหนึ่งดูซิว่าความคิดเรามันมีกี่เรื่องที่เราโมแต่ไปสนใจในสังขารที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเพราะจิตมันส่งออกไปข้างนอกมองออกไปข้างนอกคิดในเรื่องราวภายนอกแล้วก็ดึงเอาเข้ามาปรุงแต่งอยู่ในจิตจนในที่สุดก็ครอบงำจิตตนเองนี้คือที่มาของทุกมันเกิดจากความหลงผิด เนื่องจากไม่รู้ความจริงสูงสุดคือไม่รู้ธรรมะนั่นเองเพราะถ้าจะดูในแง่ของธรรมแล้วมันเป็นแค่ความคิดนึกปรุงแต่งเท่านั้นมันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะแค่ความคิดปรุงแต่งมันบอกชัดๆว่าปรุงแต่งปรุงขึ้นมาเองแต่งขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองหลงยึดไว้เองแล้วก็ถูกเองวิญญาณขันกองแห่งวิญญาณ อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้อย่างที่เราได้ยินเสียงต่างๆอยู่นี้วิญญาณขันก็ทําหน้าที่ในการได้ยินด้วยโสตวิญญาณทําหน้าที่เห็นสิ่งต่างๆด้วยจักขรวิญญาณทําหน้าที่ในการรู้รสด้วยชิวหาวิญญาณทําหน้าที่ในการรับกลิ่นด้วยคานวิญญาณหรือเจ็บปวดขึ้นมาก็เพราะกายวิญญาณนี้แหละที่รับรู้แล้วส่งเข้าไปกระทบจิต เมื่อความเจ็บกระทบจิตก็เกิดมนโนวิญญาณขึ้นมาซึ่งถ้าขาดปัญญาก็เป็นเราเจ็บแต่ถ้ามีปัญญาก็เห็นว่าสักแต่ว่าเจ็บนี่แหละวิญญาณขันธ์ที่จะส่งเข้าไปหาจิตเราก็ปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดที่จิตรู้จิตเห็นอยู่นี่เป็นแค่การทำงานของขันธ์5เท่านั้นเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้น หมดเหตุปัจจัยก็ดับไปซึ่งถ้าเราไม่รู้ความจริงตรงนี้จะเป็นของเราทั้งหมดเลยหรือเรียกว่าอัตตาคือเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาพอมีความเป็นเราเป็นของเราเราก็เป็นทุกข์เราก็ปรุงแต่งไปกับมันไหลเวียนไปกับมันเมื่อรู้แล้วว่าเพราะเราหลงผิดและจิตที่หลงผิดก็เป็นที่มาของทุกข์ เราก็ต้องมาฝึกจิตมาปฏิบัติที่จิตอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้มาฉลาดในเรื่องจิตของตนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการมาศึกษาในเรื่องของตนเองและศึกษาธรรมะที่ชี้ลงไปในตัวเราเองโดยเฉพาะเรื่องของจิตของเราเพราะความหลงนั้นอยู่ที่จิตการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เมื่อสติของเรายังไม่มีกำลังก็ต้องหมั่นเจริญสติเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ส่วนที่เคยรู้ท ร, ร ม, มาอะไรมานั้นถ้ารู้แล้วมีความสงบก็ใช้ได้หรือขณะฟังธทรรมอยู่นี้เมื่อครูบาอาจารย์อธิบายความจริงให้ฟังจิตมันรับรู้ความจริงขึ้นมาบ้างใจสงบลงไปก็มีประโยชน์อยู่แต่ความสงบอย่างเดียว คงทําให้เราออกจากทุกได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นถึงอย่างไรก็ต้องเจริญปัญญาเพื่อพิจารณาหาทางออกจากทุกขให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้ามัวแต่ไปจมกับกองทุกขอย่างนี้ชีวิตจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเกิดมาแล้วก็มาจมอยู่กับกองทุกขถูกบีบคั้นทรามานใจก็เศร้าหมองอันนี้แหละคือบาปอากุศลที่แท้จริง แล้วก็จะนำไปสู่อบายภูมิมันบอกให้ดูว่าการเกิดชาติก็เกิดขึ้นภายในจิตเนี่ยแหละชาติปิทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นทุกข์ดังนั้นจึงต้องคอยสำรวมระวังจิตมาศึกษาเรื่องจิตมาแก้ไขจิตให้ฉลาดเพื่อจะได้ไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าได้บอกทางไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าให้มีสติรู้สึกตัว พยายามไม่ให้จิตไหลออกไปควรบริกรรมก็บริกรรมถ้าบริกรรมแล้วทำให้สติมีกำลังขึ้นก็บริกรรมไปหรือถ้าชอบดูเฉยๆก็ดูไปดูเฉยๆและอยากทำความเข้าใจไปด้วยก็ได้ทำความเข้าใจเพื่อให้จิตไม่ออกไปข้างนอกเช่นทำความเข้าใจว่ากายเวทนาจิตธรรมเรียกว่าสติปฐานสี่นี้ จะมองเป็นขันห้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็ได้หรือทำความเข้าใจให้รู้ว่าขันห้ามีแค่กายกับใจหรือมองให้เป็นธาต เป็นมหาภูตารูปสี่ธาตุดินธาต้น้ำธาตลมธาตไฟหรือจะรวมอากาศธาตุอันเป็นช่องว่างและวิญญาณธาตุอันเป็นธาตุดูเข้าไปด้วยก็ได้โดยคําว่าธาตุคือสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยธรรมชาติของมันเป็นส่วนเล็กๆที่ย่อยๆลงไปเมื่อมันรวมกันอยู่เขาก็สมมติเรียกชื่อไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ แต่พอแยกย่อยออกไปมันก็คงเป็นาธาตุอยู่นั่นเองไม่ได้บอกว่าตรงไหนเป็นเราเลยนะเราต่างหากที่หลงไปยึดว่าเป็นเราตรงนี้ต่างหากที่ต้องแก้ไขความเข้าใจเสียใหม่ว่ามีเราเมื่อไหร่ก็มีทุกเมื่อนั้นมีทุกเพราะมีเราและมีเราเพราะมีอุปาทานจิต ท, ที่มีอุปาทานจะไปยึดเอาสังขารไว้ มันก็เลยเข้ามาตั้งอยู่ในจิตเช่นมีคนเขาว่าเราถ้าเราไม่อุปทานไปยึดเข้ามามันก็จะมาดำรงอยู่ที่จิตของเราเมื่อคำพูดที่เราไม่พึงพอใจเกิดขึ้นมันก็จะบีบคั้นใจเราให้เกิดความเจ็บปวดเป็นความทุกข์ขึ้นมาซึ่งถ้าจะพูดไปแล้วมันก็เป็นแค่เสียงเมื่อคนเขามีจิตมีใจ เขาก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเขาถ้าไม่เอาเข้ามาเราก็ไม่ทุกข์เราไม่มีอุปาทานสรุปแล้วเรานั่นแหละที่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองอาการที่จิตเข้าไปหลงหยึดความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้แหละที่พระพุทธเจ้าอยากให้เรามาฉลาดในเรื่องจิตของตน คือให้มารู้ว่าเหตุอยู่ที่จิตของเรานั่นเองที่ไม่ฉลาดไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ทั้งๆที่อยากมีความสุขแต่ทาไมจึงไปพอใจความปรุงแต่งที่ทําให้จิตเราเป็นทุกข์ทาไมต้องไปยึดเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามารบกวนจิตใจของเราบางเรื่องก็ผ่านไปตั้งนานแล้วและควรจะจบได้แล้ว แต่พอเห็นหน้ากันปับ๊บอ้าวเรื่องเก่าผุดขึ้นมาอีกแล้ววูบเข้าไปในจิตเดือดร้อนขึ้นมาที่จิตอีกแล้วนี้คือจิตที่ไม่ฉลาดดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกจิตให้ฉลาดโดยการสร้างสติสัมปชัญญะให้มีกำลังขึ้นรายละเอียดของการฝึกจิตเริ่มด้วยสติปฐานสี่ โดยฝึกสติให้ขยายออกไปสถิตอยู่ในกายในจิตของตัวเองฝึกไปฝึกไปก็จะครอบคลุมสติปฐานสคือกายเวทนาจิตธรรมเพราะว่าสตินี้เป็นที่รวมของธรรมะทั้งหมดหรือให้แยกย่อยออกไปเป็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือแยกในแง่ของธาต์ เป็นส่วนของกายคือธาตุดินธาตน้าธาตลมธาตไฟอากาศธาตและส่วนของจิตคือวิญญาณธาตคงมีแต่ธาตมีแต่ขันไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามมีแต่ธรรมชาตซึ่งเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมไม่มีตรงไหนเลยที่บอกให้รู้ว่าเป็นเรา การให้มาฉลาดในเรื่องจิตของตนเองก็คือฉลาดแบบนี้นี่เองบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เปรียบร่างกายเป็นสรีระยนเหมือนรถยนต์นี่แหละก่อนที่เขาจะประกอบขึ้นมามันมีแต่เศษเหล็กเขาก็เอาเหล็กเป็นชิ้นๆเหล่านั้นมาประกอบขึ้นเป็นตัวรถแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ ตัวเราที่เป็นสรีระยนนั้นพอแยกย่อยก็เป็นอาการสาองแยกกายเรานี่แหละออกเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกซึ่งในการปฏิบัติจะเห็นเพียงอันใดอันหนึ่งก็ได้บางคนเห็นผมเพียงอันเดียวก็สามารถทะลุเข้าไปแจ้งชัดได้เลยเข้าใจทั่วถึงว่าทั้งหมดไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราและยังสามารถรู้แจ้งขยายออกไปทั่วจั ก, กรวาลรู้ทั่วถึงธรรมชาติเลยว่าทั้งหมดไม่ใช่เราอีกต่อไปรู้ในจิตเพียงแค่นี้นะแต่ว่าขยายออกไปให้รู้ทั่วถึงแล้วต่อไปจะให้จิตไปหลงยึดอะไรอีกมันทำไม่ได้แล้วจิตจะไม่หลงยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ความจริงทั่วถึงนี่แหละ จึงต้องมาฉลาดในเรื่องจิตของตนดังนั้นเราจะเจริญสติสัันธัญะโดยดูในแง่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสติปฐานสี่หรือขันหหรือธาตุสี่ธาตุห้าธาตุหหรื อ, อาการ3าสองก็เป็นธรรมอันเดียวกันนักปฏิบัติคนหนึ่งเล่า ว, ว่าตอนแรกที่เขาภาวนาพุโทโธพุธโทโธ จิตก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังมีการคิดปรุงอยู่เขาเลยเปลี่ยนมาดูธาตุสีดูร่างกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟพ่อเขาคิดถึงพ่อขึ้นมาจิตก็บอกว่าพ่อคือธาตุดินจะมูตไปคิดถึงธาตุดินอยู่หรือจิตก็หยุดคิดได้บ้างต่อมาเมื่อสติปัญญาของเขารวดเร็วขึ้น ก็เห็นร่างกายเป็นศักด์แต่ว่ า, าธาตุพอจิตจะไหลออกไปก็คอยย้ำว่ า, าธาตุธาตุศักด์แต่ว่ า, าธาตุแค่คำว่ า, าธาตุสีคำเดียวนี่แหละจิตเขาก็หยุดได้แล้วเขาบอกว่าแต่ก่อนนี้จิตของเขามันเหมือนมีตัวหนึ่งที่คอยหาเรื่องไปโน่นไปนี่แต่พอเขาดูร่างกายเป็นาธาตุสีนี่แหละแค่มันเริ่มขยับตัวจะออกไป มันก็ได้กลับเข้ามาหาจิตอีกทีหนึ่งนานเข้านานเข้าจิตเริ่มไม่สนใจอะไรอื่นอีกจากกายก็เข้ามาหาจิตได้การดูอาการ3าสสองนั้นบางคนก็เอาผมขนเล็บฟันหนังบางคนจับเพียงอันเดียวเช่นดูกระดูกก็จับจ้องเข้าไปจี้เข้าไปจ่อเข้าไปสุดท้ายจิตก็แสดงความเปลี่ยนแปลง แสดงความที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราขึ้นมาบางคนอาจจะดูฟันหรือดูตาก็มีแต่บางคนดูอันเดียวไม่พอต้องเอาหมดทั้งอาการ32สองเลยจึงจะทำให้เขาสงบได้ก็ที่เราสดหมุนท่องกายคตาสตินั่นแหละบางคนก็ดูลมหายใจอย่างเดียวก็มีโดยทีแรกก็ดูลมไป ต่อมาจิตสงบก็ดูจิตเสียโดยไม่สนใจลมลมก็มีอยู่แต่ว่ามาดูจิตแล้วเพราะมุมมองภายในจิตได้เปลี่ยนไปพอลมหายใจแรงชัดเจนก็ไปดูลมแต่เมื่อจิตมีอาการที่ชัดเจนกว่าก็มาดูจิตบางทีขณะที่ดูจิตอยู่ก็ไปเห็นที่ความเปลี่ยนแปลงเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ซึ่งนั่นคือดูทรรมไม่ว่าจะดูแบบใดก็ตามมันก็ดูอยู่ในกายกับใจนี่แหละดูกายแล้วก็เข้าไปหาใจเมื่อเราดูกายอยู่พอมีความคิดเกิดขึ้นก็เข้าไปดูความคิดนั่นคือเข้าไปหาใจแล้วซึ่งที่จริงการปฏิบัตินั้นก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่เราไปพูดกันเฉพาะรูปแบบว่าคนนั้นพองยุบ คนนี้พุทโธคนนั้นสัมมาอารหังคนนี้ผมขนเล็บฟันหนังก็เลยทำให้แยกเป็นสายๆไปเราต้องเข้ามาหาแก่นธรรมต้องให้เห็นสาระของการปฏิบัติถ้าความเห็นถูกต้องแล้วจะไม่มีสายนั้นสายนี้หรอกธรรมจะเป็นอันเดียวกันคือธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้น จะหมดความสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติเลยเพราะรู้ตามความเป็นจริงถึงการพิจารณาเป็นอสุภะก็เหมือนกันนั่นแหละบางคนจริตของเขามีกามราคะมากเพราะไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ต้องหาทางบรรเทาซึ่งก็มาดูที่กายเวทนาจิตธรรมอีกนั่นแหละ คือต้องมาเห็นกายกับจิตของตัวเองสุดท้ายมันก็ทั่วถึงกันเพียงแต่ว่าอันไหนมันเด่นสําหรับคนคนนั้นก็ต้องแก้ไขไปตามจริตของตนบางคนชอบติดตามดูอิริยาบทหลักและอิริยาบทย่อยเช่นชอบเดินการเดินก็คือตามดูกายเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เข้าไปหาจิตเหมือนกันอีกนั่นแหละหรือบางคนชอบนั่ง เรานั่งแล้วเห็นสภาวะต่างๆได้ชัดเจนซึ่งถ้านั่นโดยที่จิตตื่นอยู่สามารถทำการทำงานอยู่ภายในจิตได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวจะนั่งนานๆก็ได้ไม่มีรูปแบบตายตัวอยู่ที่ว่าอันไหนถูกจริตพอดีและเหมาะสมกับตัวเองซึ่งต้องหาให้พบเมื่อหาพบแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วในที่สุด จะมีช่องทางเป็นของตัวเองขณะที่ปฏิบัติอยู่ก็เหมือนกับว่าธรรมะนั้นช่างอยู่ห่างไกลเสียเหลือเกินยิ่งพูดถึงว่าปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์เพื่อพระนิพพานด้วยแล้วเหมือนยิ่งห่างไกลเพราะว่าเดี๋ยวนี้กิเลสมันมากขึ้นคุณค่าในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนถูกบางสำนัก ดึงให้ลดลงไปตามกิเลสของคนแต่ในสมัยพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ลดธรรมะลงมาธรรมะต้องเป็นธรรมะเราต้องฝึกจิตฝึกใจเพื่อให้จิตมันฉลาดขึ้นเมื่อฉลาดขึ้นแล้วก็ดับทุกได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้จะต้องไม่ลดลงไปหากิเลสของคนไม่สอนเพื่อเกื้อกูลต่อกิเลสภายในจิตของคน ต้องเป็นไปเพื่อขัดเกลารแก้ไขจิตใจเพื่อทำให้จิตใจไม่มีทุกข์ถ้าเรามาถูกทางแล้วถูกต้องแล้วความทุกข์จะต้องน้อยลงไปดังนั้นใครที่ปฏิบัติทําแล้วรู้สึกสบายขึ้นรู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าทุกข์เบาลงไปอันนั้นถูกต้องเลยแต่ถ้าปฏิบัติทําแล้วกลับยิ่งหนักกิเลสยิ่งหนานแน่นขึ้น อัตราตัวตนมากยิ่งขึ้นแสดงว่าต้องมีที่ผิดต้องมีความหลงผิดต้องมีบางอย่างไม่ถูกต้องต้องแก้ไขแล้วดังนั้นทางของพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นอย่างนี้คือสติดีขึ้นรู้สึกตัวได้ดีขึ้นรู้สึกเบาสบายขึ้นบางอย่างเคยสงสัยก็ไม่สงสัยแล้วหรือเมื่อมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นก็เข้าใจ แล้วสามารถปล่อยวางได้ความทุกข์เบาบางลงให้ความทุกข์ที่ได้รับกลายมาเป็นบทเรียนทำให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาแทนนี่แหละถ้าถูกทางจะต้องเป็นอย่างนี้ฉลาดในวาระจิตของตนนั้นจะต้องฉลาดแบบไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มาดูจิตของตนแล้วมาตรวจดูว่าในขณะปัจจุบัน มีอภิชาอยู่มากหรือว่าไม่มีอภิชามากอภิชาก็คือความอยากเช่นเห็นคนอื่นมีอะไรก็อยากได้ด้วยอยากได้ไปกับเขาอยากได้เหมือนเขาอยากได้ของเขาสิ่งที่อยากได้ก็เป็นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แหละ ท, ที่อยากจะเอาเข้ามาให้เข้าไปตรวจดูซิว่าในขณะนี้ ความอยากในจิตเรามีไหมจิตยังมีความอยากมากมีความอยากน้อยก็ให้รู้แล้วก็ตรวจดูอีกว่ามีความพยาบาทอยู่โดยมากหรือว่าไม่มีความพยาบาทอยู่โดยมากดูให้เห็นว่านิสัยของจิตเราเป็นจิตที่ชอบพยาบาทหรือไม่แล้วขณะนี้ความพยาบาทยังมีอยู่ไหมอาจจะเข้าไปดูว่าขณะนี้ ซึมเศร้ามากหรือซุ่มเศร้าน้อยหรือไม่มีความซึมเศร้าเลยเกียรติคร้านมากหรือเกียรติคร้านน้อยหรือไม่มีความเกียดตคร้านเศร้าหมองมากหรือเศร้าหมองน้อยหรือไม่มีความเศร้าหมองเลยฟุ้งซ่านมากหรือฟุ้งซ่านน้อยหรือความฟุ้งซ่านหมดไปแล้วนี่คือเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยมีความปรารถนาทางร่างกายมาก หรือมีความปรารถนาทางร่างกายน้อยหรือว่าไม่มีเลยเราก็สำรวจจิตของเราได้สงสัยมากหรือสงสัยน้อยหรือว่าข้ามพ้นความสงสัยไปแล้วบางทีก็อาจจะเข้าไปดูว่าจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือว่าจิตเป็นอย่างไรก็ให้รู้ อาการเหล่านี้อยู่ในจิตทั้งหมดเลยสรุปแล้วจิตของเราเป็นอย่างไรก็ให้มารู้ที่จิตตัวเองเมื่อเรามารู้มาดูที่จิตของตัวเองได้แล้วอาการอื่นๆก็จะค่อยเบาลงและต้องปล่อยวางจนรู้ว่าอาการต่างๆของจิตไม่มีหลงเหลืออยู่เลยแล้วทำไมบางทีถึงต้องมาดูที่กายละ่ะ ถ้ากำลังสติยังอ่อนเราจะหาจิตไม่เจอเพราะจิตนั้นเร็วเนื่องจากเป็นนามธรรมก็เลยต้องจดจ่ออยู่ที่ร่างกายหรืออยู่ที่คำบริกรรมร่างกายอันเป็นที่อยู่ของจิตก็เลยเป็นเครื่องอยู่ของจิตไปก่อนจนกว่าสติจะมีกำลังแล้วควบคุมจิตได้จิตก็จะค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้น จนถึงขนาดที่จิตไม่สนใจกายอีกเลยในเวลาที่จิตเด่นขึ้นมาจะเห็นแต่จิตเท่านั้นขั้นสุดท้ายไปเรื่องจิตทั้งหมดเลยดังนั้นเพื่อจะเข้าหาจิตจึงต้องมาดูกายบ้างบริกรรมบ้างบริกรรมแล้วก็มาดูกายเวทนาจิตธรรมสุดท้ายก็เหลือแต่จิตจิตดูจิต โดยไม่ดูอย่างอื่นเลยและเมื่อดูจนเห็นแจ้งชัดแล้วผู้ดูก็เป็นอันหนึ่งนอกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกเห็นทั้งหมดเหมือนเราเป็นผู้ดูซึ่งในตอนแรกจะมีเรากรเพราะเรามาปฏิบัติก็ต้องมีเราเป็นผู้เห็นผู้รู้เป็นเราไปเรื่อยๆโดยยังไม่ทิ้งความเป็นเราแต่จะมีบางครั้งบางขณะ ที่เห็นว่าสิ่งต่างๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีการเห็นขึ้นมาเองเห็นเป็นธรรมชาติไปเลยนี่แหละการปฏิบัติก็จะลึกซึ้งเข้าไปหาใจแล้วใจก็จะรับรู้ความจริงขึ้นมาด้วยอำนาจของความหลงทำอะไรก็มีความเป็นเราสงบก็เป็นเราสงบทำดีก็เราทำทำไม่ดีก็เราทำ ทั้งกรรมดีและไม่ดีที่เราทำจะไปฝังอยู่ในภวังคจิตมีความเป็นเราอยู่ก็เลยเป็นเราทำกรรมทั้งหมดจะมาอยู่ในจิตเราทั้งที่บางทีเราลืมไปแล้วด้วยซ้าแต่กรรมก็ยังถูกเก็บไว้อยู่การจัดเก็ตนั้นละเอียดยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลมาทุกพบทุกชาติ ฝังอยู่ในภวังคจิตแล้วกรรมต่างๆนั้นก็กลายมาเป็นคุณภาพกายคุณภาพจิตของเราถ้าเราจะล้างกรรมที่ทำมาก็ต้องใช้ในภวังคจิตนี่แหละการปฏิบัติธรรมล้างกรรมได้และทำให้หมดกรรมได้ด้วยโดยต้องอาศัยสมาธิต้องเห็นในขณะที่จิตเป็นสมาธิจะลืมตาหรือหลับตาก็ได้ เห็นว่ากรรมมันมีอยู่และเห็นว่ากรรมนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เราก็ดับไปแล้วจะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งถ้ามีการเห็นในลักษณะนี้ใจจะคลายออกใจจะวางและพอวางได้หน่อยหนึ่งก็จะรู้ว่าเบาเลยแค่เห็นนิดเดียวเท่านั้นเหมือนกับว่าจิต มีแสงสว่างเกิดขึ้นมาเลยจำได้ว่าครั้งแรกที่อาตมาเห็นนั้นชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปเลยทางที่ตอนนั้นก็ยังไม่บรรลุมรรคผลแค่เห็นว่าโอ้นี่หรืออนัตตาในครั้งที่เห็นนั้นใจก็โปร่งโล่งเบาแล้วก็เข้าใจเลยว่าที่เรามาปฏิบัติก็เพื่อสิ่งนี้นี่เองจากนั้นมา จึงเพียรพยายามปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆถึงได้รู้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจากทติปทาน4ขันห้าอาการ32อาสุภะธาตุสธาตุหาธาตุหกก็ได้ทั้งหมดเป็นแค่ธรรมชาติไม่ได้บอกเลยว่าเป็นเราจะมองในมุมไหนก็ได้อันหนึ่งเป็นรูปธปาตุ อีกอันหนึ่งเป็นนามธาตุซึ่งบางทีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เรียกว่าขันแต่ท่านเรียกว่ารูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุมีความเป็นอันเดียวกันคือธาตุสรุปลงที่มันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราความรู้สึกที่ไม่มีเรานั้นเป็นความรู้สึกที่มีจริง ซึ่งบางคนก็เคยเห็นมาแล้วว่ามันเป็นธรรมชาติซึ่งเพียงแค่ได้เห็นจิตนี้ก็รู้สึกว่าเบาลงมากแล้วในขณะที่บางคนยังไม่เห็นนั้นถ้าตั้งใจปฏิบัติต่อไปก็จะเห็นได้เหมือนกันเพราะสิ่งนี้เป็นผลของการปฏิบัติต้องไม่ให้มีความอยากเห็นพระพุทธเจ้าบอกว่าให้พอใจในการสร้างเหตุ พอใจที่ได้ปฏิบัติส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นแล้วแต่สภาวธรรมไม่ใช่พอฟังพระเทศว่าดูขันห้าทำให้เกิดปัญญาก็ไปเกิดความอยากเห็นขึ้นมาบ้างจะมีความอยากไม่ได้เพราะถ้ายิ่งอยากความอยากจะปิดบังปัญญาทั้งหมดเลยไม่ต้องมีความอยากให้พอใจว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น เมื่อเรายังปฏิบัติอยู่ในขั้นนี้เราก็เอาแค่ในขั้นนี้ควรทำอะไรก็ทำตรงนั้นแล้วผลการปฏิบัติก็จะค่อยๆเจริญขึ้นเองถ้าเกิดความอยากก็จะไม่ได้อะไรเลยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เพียรในการสร้างเหตุส่วนผลนั้นแล้วแต่สภาวะธรรมดังนั้นหลักที่เหมือนกันก็คือมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญ ญ, ญะ ละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้นี่คือหลักของพระพุทธเจ้าเราก็มีหน้าที่เพียรไปเรื่อยๆเพียรตรงไหนก็ได้ให้ดูอยู่ในกายและจิตเรานี่แหละเพียรเพื่อให้มีสติสัมปชัญชญะโดยไม่ให้จิตเราไปหลงยินดียินร้ายแต่ถ้ามันเกิดความยินดีก็รู้ว่ายินดียินร้ายก็รู้ว่ายินร้าย เพียงแค่ให้รู้อยู่ก็ไม่เสียหายแล้วอะไรเกิดขึ้นเมื่อรู้ก็จะหมดปัญหาเลยจิตคิดไม่ดีก็รู้เมื่อรู้ก็จบจิตไม่สงบเมื่อรู้ก็จบได้จิตสงบแล้วเรารู้ก็ใช้ได้มันใช้ได้ทั้งหมดนั่นแหละขอแค่ให้รู้เท่านั้นอะไรเกิดขึ้นให้รู้นั้นรู้อย่างไร คือให้รู้ว่าจะเป็นนิมิตนิวรหรือสภาวธรรมทางกายทางจิตใดๆที่เกิดขึ้นก็ตามเราจะไม่หลงยินดียินร้ายพระพุทธเจ้าบอกว่าละความยินดียินร้ายในโลกเสียให้ได้แต่ถ้ายังละไม่ได้เพราะเรายังปฏิบัติอยู่จิตเรายังมีกําลังไม่พอก็ต้องให้เรารู้คือยินดีรู้ว่ายินดี ยินร้ายรู้ว่ายินร้ายบางทีก็ต้องบริกรรมเพื่อให้สติมีกําลังเช่นพองหนอยุบหนอหรือบางคนต้องพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอบางคนก็จี้หนอจี้เข้าไปเพื่อให้มันชัดขึ้นมาซึ่งก็นําไปสู่อันเดียวกันนั่นแหละคือถ้าถูกทางแล้วต้องไปสู่ความรู้ความเห็นที่ว่าไม่มีอะไรเป็นเรา เป็นของเราเป็นเพียงแค่สภาวธรรมที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทุกๆสภาวธรรมล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเพียงธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นเท่านั้นแล้วก็ให้รู้เหตุด้วยว่าที่เรายังไม่เห็นก็เพราะกำลังยังไม่พอปฏิบัติยังไม่เพียงพอสมัยพุทธกาล มีคนมาถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมละ่ะก็ในเมื่อความจริงนั้นมีอยู่แล้วคนที่เกิดมาก็น่าจะรู้เรื่องรู้ราวเสียเพื่อจะได้ไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเป็นเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้ยินได้ฟังธรรมของสัตธบรุษคือไม่ได้เข้าใกล้สัตตบรุษไม่ได้พบสัตตบรุษหรือได้ฟังแล้วแต่ไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบรุษ ไม่เอามาประพฤติปฏิบัติไม่เอามาใคร่ครวญพิจารณาให้จิตได้รู้เห็นความจริงชัดแจ้งให้เกิดความเข้าใจจนปล่อยวางได้เหตุก็ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะขณะนี้พวกเรานั้นได้ยินได้ฟังกันแล้วจึงอยู่ที่การปฏิบัติแล้วละเมื่อเราลงมือปฏิบัติก็ต้องให้ถูกต้องตรงทางของพระพุทธเจ้าแล้วผลก็จะเกิดขึ้นเอง อย่างที่บางคนถามว่าเมื่อปฏิบัติแล้วจะมีโอกาสได้มรรคผลหรือไม่ขอตอบว่าเมื่อปฏิบัติถูกต้องและถูกทางทางนี้จะเป็นทางที่ดําเนินไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอนเพราะเป็นทางสายเดียวของพระพุทธเจ้าในศาสนาอื่นไม่มีนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ราก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั้น พระองค์ได้ไปร่ำเรียนวิชาจากทุกสำนักในอินเดียและชมพูทวีปมาหมดแล้วแต่ว่าดับทุกขไม่ได้จนพระพุทธเจ้าได้มาค้นพบด้วยตนเองในเรื่องของการปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าจเจริญสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์ก็จะทำให้โพชชงเจ็สมบูรณ์ในโพชชงเจ็ก็มีสติสามโพชชงเป็นตัวสติ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นตัวปัญญาวิริยะสัมโพชฌงคือความเพียรปิติสัมโพชฌงคือความอิ่มใจปสัสสติสัมโพชฌงคือความสงบของใจสมาธิสัมโพชฌงคือความตั้งมั่นของใจอุเบกขาสัมโพชฌงคือใจที่วางเป็นอุเบกขาได้จะเห็นว่าเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้น เมื่อพจชงเจ็ดสมบูรณ์แล้ววิชาวิมุตติก็เกิดขึ้นนั่นคือความหลุดพ้นถึงซึ่งพระนิพพานบางทีพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างละเอียดถึงองค์ธรรมที่นำไปสู่การตรัสรู้ว่าต้องมีองค์ธรรมต่างๆเหล่านี้คือสติปัฏฐานสการมีสติวิจารณากายเวทนาจิตธรรมสัมมาประฐานสี่ คือความเพียรสี่อย่างได้แก่เพียรสังวรการสำรวมระวังไม่ให้ยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตมีความยินดียินร้ายเข้ามาก็รู้เห็นมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเพียรประหารคือการเพียรละเมื่อความยินดียินร้ายเกิดขึ้นก็เพียรประหารโดยการดูมันเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรามันก็จะดับไป เพียรภาวนาคือเพียรปฏิบัตินั่นเองเพียรให้สติสัมปัญนญะเจริญขึ้นแล้วก็ต้องเพียรอนุรักษ์คือรักษาสติสัมปัญนญะไว้ให้ภัยบณ์เต็มที่เจริญบริบูรณ์กลายเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมานี่คือพูดถึงความเพียรอิทธิบาทสีได้แก่ฉันทะความพอใจในการปฏิบัติ วิริยะมีความเพียรในการปฏิบัติจิตตะเอาใจใส่ทุ่มเทอุทิศชีวิตไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามต้องปฏิบัติจิตเพื่อให้จิตฉลาดไม่เอาสังขารอะไรเข้ามาปรุงแต่งทำให้เราเป็นทุกได้วิมังสาพยายามขัดเกลาแก้ไขตัวเองทุกทางอินทรีย์ห้าได้แก่ศรัทธาคือความเชื่อ วิริยะคือความเพียรสติคือความรู้สึกตัวสมาธิคือความใจตั้งมั่นและปัญญาคือรู้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่ออินสี่ห้ามีกำลังมากขึ้นก็จะเป็นพละห้าขึ้นมามักมีองค์8ทางสายกลางได้แก่สัมมาทิฏฐิคือการเห็นทุกข์เห็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ และเห็นว่ากายกับใจนี้มีเพียงสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใจก็สลัดออกเห็นความดับแห่งทุก์มองเห็นทางดําเนินให้ถึงซึ่งความดับแห่งทุก์สัมมาสังกัปปะดําริที่จะออกจากกามดําริในการไม่มุ่งร้ายดําริในการไม่เบียดเบียนสัมมาวาจา เกิดความสำรวมในการพูดระวังคำพูดแทนที่จะพูดเรื่องข้างนอกพูดอะไรที่จะมารบกวนจิตใจก็ไม่เอาแล้วจะระวังปากของตัวเองนอกจากนี้ยังมาตรวจสอบตัวเองว่ามีไหมที่พูดโกหกพูดไม่ตรงกับความจริงพูดต่อสร้างปัญหาสร้างความดดร้อนขึ้นมาจากคำพูดของตัวเองพูดแล้วเสาะเสียดละ่ะมีไหม เอาเรื่องไม่ดีของคนนี้ไปเล่าให้คนนั้นฟังทำให้คนแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งกันพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีเพื่อให้มีคนมารักมาชอบมาศรัทธาพูดเพื่อให้เราได้ประโยชน์เหล่านี้มาจากเราทั้งหมดเลยเวลาจะแก้ไขก็ต้องแก้ที่ตัวเราเพื่อให้เป็นสัมมาวาจาสัมมารกรรมันตะการงานชอบ ได้แก่การละทุจริตทางกาย3มอย่างคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการรักทรัพเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมสัมมาอาชีวะเว้นจากอาชีพที่ไม่ชอบเช่นช่อโกงโคดโกงอาชีพที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเป็นทุกข์สัมมาวายามะคือความเพียรชอบเป็นความเพียรในการเจริญสติสัมปัญญะ สัมมาสติความรารึกชอบเป็นเรื่องการมีสติให้ต่อเนื่องอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองและสัมมาสมาธิคือสมาธิชอบต้องเป็นสมาธิที่ถูกต้องตรงทางของพระพุทธเจ้าดังนั้นสติปัฏฐาน 4, สส ม, มาประฐานสี่อิทธิบาท4อินสีห้า พระ5โพชงเจ็ดและมรคมีองค์8ธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้แหละเป็นองค์ธรรมสำคัญที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้หรือที่เรียกว่าโพธิปักขีธรรม37ประการพอไปแยกเป็นหมวดหมู่ก็เลยเหมือนกับว่าโอ้โหธรรมะนั้นช่างมากมายเหลือเกินที่จริงในการปฏิบัติทั้งหมดก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละ เป็นกระบวนการของธรรมที่เกิดขึ้นในกายและจิตทั้งนั้นเลยดังนั้นเราจึงไม่ต้องไปดูข้อธรรมอะไรมากนักก็ได้แต่ให้พยายามเจริญสติเนี่ยแหละเมื่อเราจเจริญสติไปจนสติมีกําลังควบคุมจิตรักษาจิตให้มีสมาธิเกิดเป็นสติสัมปชัญญะแล้วธรรมทั้งหลายก็จะปรากฏขึ้นเองตามเหตุปัจจัย แต่ที่แยกหัวข้อขึ้นมาพูดก็เพื่อให้เราเกิดความเข้าใจในโครงสร้างธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้การปฏิบัติธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่มีปาฏิหารเป็นเรื่องของการสร้างเหตุให้ถูกต้องตามทางแห่งอริยมรรคและถ้าการปฏิบัติของเราสมบูรณ์พร้อมก็จะเป็นไปเพื่อบรร ล, ลุมรรคผลนิพพานแน่นอน นี่คือเป้าหมายอันสูงสุดของทุกชีวิตการบรรลุมรรคผลคือการรู้ความจริงมากขึ้นประหารกิเลสได้มากขึ้นเรื่องราวที่จะทำให้เป็นทุกข์น้อยลงไปเพราะตัวตนมันน้อยลงนั่นเองดังนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราต้องมาควบคุมจิตตักษาจิตยิ่งมีอะไรมาทดสอบ ก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างดีเลยที่จะเห็นจิตของตัวเองได้เห็นนิสัยของจิตรู้เรื่องของจิตรู้จนกระทั่งไม่มีอะไรมาทําให้เราเป็นทุกได้เลยเพราะเห็นว่าเป็นเพียงธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นแล้วตัวจิตเองก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งด้วยเหมือนกันการดูจิต ในตอนแรกก็อยู่ในระยะจิตดูจิตไปก่อนแต่พอดูไปดูมากลายเป็นว่าไม่มีเราจิตนี้เป็นธรรมชาติไปเลยสุดท้ายคือวางความรู้สึกว่าเป็นเราเท่านั้นเองที่จริงก็ไม่มีเราไม่ใช่เรามาตั้งแต่แรกแล้วแต่ในการปฏิบัติจะมีเราไปก่อนเราก็พยายามรู้สึกตัวว่าเรากําลังดูอะไรอยู่ แล้วที่เราดูหนูนั้นมีอะไรที่เป็นเราบ้างไหมอย่างเวทนาคือความรู้สึกเจ็บปวดก็อยู่ที่ร่างกายจิตที่เข้าไปรู้เวทนาเป็นอีกอันหนึง่งซึ่งเรียกว่าจิตผู้รู้ในจิตที่กำลังยังไม่พอเวทนาก็จะมีแรงดึงดูดจนทำให้จิตต้องเข้าไปดูแต่ขณะที่ดูเวทนาอยู่นั้น ก็จะมีผลทำให้สติมีกําลังขึ้นมารวมทั้งทำให้จิตก็มีกําลังขึ้นด้วยเพราะสติเป็นตัวกําลังของจิตที่อาตมามักจะยกตัวอย่างในเรื่องเวทนาเพราะมันเห็นได้ชัดเจนว่าเวทนานั้นอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่ของเราจิตก็เห็นเป็นสักแต่ว่าเวทนาขันซึ่งไม่ใช่เราตัวที่เข้าไปเห็นก็คือจิตนั่นแหละ ส่วนวิญญาณก็ทำหน้าที่รู้แต่เบื้องหลังแห่งความรู้ทั้งหลายก็คือจิตนั่นเองจิตมีกำลังก็จะเกิดการรู้การเห็นกลายเป็นจิตรู้ขึ้นมาสติอยู่ตรงไหนก็มีสมาธิอยู่ตรงนั้นสมาธิเป็นกำลังของจิตแล้วจิตที่รู้อยู่ว่าไม่ใช่เรามันก็ตั้งท่าจะแยากกายกับจิตออกจากกัน ที่ยังแยกไม่ได้เพราะจิตยังมีกำลังไม่พอแต่ในขณะที่ปฏิบัติอยู่นั้นจิตก็จะสะสมปัญญาไปด้วยศรัทธาเราก็มีอยู่ความเพียรความอดทนเราก็มีอยู่เมื่อจิตมีกำลังพอจิตจะถอยออกจากกายมาดูจิตซึ่งถ้าจิตมีกำลังพอแล้วไม่มีอะไรจะดึงดูดจิตไปได้อย่างในเวลาที่เรามีความทุกข์ เพราะเรื่องอื่นๆมาครอบงาจิตมันก็จะมีแรงมาดึงดูดจิตของเราให้ไปจมอยู่กับเรื่องราวเหล่านั้นเราก็ต้องฝึกจิตให้จิตมีกำลังจึงจะถอยออกมาได้การแก้ทุกข์จึงต้องฝึกจิตให้สติมีกำลังต้องอาศัยศรัทธาที่มีกำลังด้วยบางคนที่ศรัทธายังไม่พอเรื่องอื่นก็เลยมีความสำคัญกว่า แทนที่จะมาสนใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าก็พอใจไปทำอย่างอื่นมากกว่าเพราะศรัทธาน้อยความเพียร น, น้อยสติน้อยสมาธิน้อยปัญญาก็น้อยนี่แหละที่เขาเรียกว่าอินทรีย์อ่อนก็เลยต้องจมอยู่ในกองทุกข์เรื่อยไปถ้าอินทรีย์แก่กล้าศรัทธามีกำลังวิริยะคือความเพียร ก็มีกำลังมีความพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถมีความอดทนบากบัน่นมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะปฏิบัติมีจิตใจเป็นนักสู้โดยไม่ท้อถอยเมื่อสติมีกำลังสมาธิก็มีกำลังปัญญาก็มีกำลังแล้วทีนี้จะเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหมือนกับเราเป็นอันหนึ่งเวทนาเป็นอันหนึ่ง ความคิดเป็นอันหนึ่งหรือสิ่งต่างๆเป็นอันหนึ่งโดยมีเราเป็นอีกอันหนึ่งต่อมาก็เป็นธรรมชาติบางจังหวะก็ได้เห็นว่าไม่มีเรานี่แหละที่เรียกว่าสะสมธรรมะไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตยอมรับว่าที่จริงนั้นไม่มีเราเป็นเพียงธรรมชาติเท่านั้นเองทั้งหมดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราว่าสมควรจะรู้ธรรม เห็นทมได้หรือยังถ้ายังก็ต้องปฏิบัติต่อไปเพราะการสร้างเหตุของเรายังไม่เพียงพอที่สําคัญในการปฏิบัติธรรมนั้นต้องไม่เป็นไปโดยมีความอยากนําหน้าคือต้องไม่มีความอยากเลยแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปเองเป็นธรรมชาติไปทั้งหมดเลยจะเป็นเพียงธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้น ต่อไปให้สำรวจตัวเองทุกวันว่าเรามีอะไรที่สมควรต้องแก้ไขบ้างซึ่งในการแก้ไขนั้นต้องอาศัยเวลาที่จิตเป็นสมาธินั่แหละเราจิตที่เป็นสมาธิทำให้เราไม่มีความลำเอียงเราไม่ได้เข้าข้างตัวเองเราก็พอที่จะเห็นข้อบกพร่องของเราและเห็นสิ่งที่เราควรแก้ไขว่าเราควรแก้ไขปรับปรุงอะไรขึ้นมาบ้าง ย้ำกับตัวเองเนี่ยแหละย้ำเพื่อให้มันเข้ามาในจิตของเราแล้วจิตจะมีกำลังขึ้นมาสุดท้ายขอให้ทุกคนตั้งใจว่าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้เป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมจนหลุดพ้นจากทุกในวัตสงสารด้วยเถิด